5 4 3สี่สามสนเริ่มได้รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่งกระจายเสียงพร้อมกันให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังทั่วประเทศนะคะจากกรุงเทพมหานครด้วยขนาดคลื่น fm 92.5MHz ค่ะและ am ก็8 9 1ร้อยเก้ิอ็ดลเเสนอเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชน ไทยเรานั้นได้มีแง่คิดดีๆรับธรรมะดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในทุกๆเช้าที่ท่านตื่นขึ้นมานะคะจากรายการธรรมะรบุรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราชสัเป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน8ปปีเถาะค่ะก็ถือว่า เป็นวันดีทีเดียวนะคะเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะมากราบน้ัสการพระอาจาร ย, ย์ไพบูุ์อภิบุญโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากอนท่านเจ้า อ, อาวาสวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอำเภอนหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็จะมาสนทนาธรรมหรือสากระชา้าให้ท่านผู้ฟังได้รับ ความรู้แล้วก็แงกคิดดีๆที่จะไปปรับใช้กับชีวิตของเราให้ชีวิตของเรามาีความเป็นอยู่ไปอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วก็จะมีจิตที่เรียกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขกายสุขใจนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้มสักการาพระอาจารย์ไพบรุอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะ ปราบนักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะอาจรย์บอลสำหรับนิชาวันนี้ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตานําพระคถาหรือพระสูตรที่องค์พระสามาสมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ซึ่งก็จะได้ให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของการที่จะมาคลายทุกข์หรือว่าคลายโศกกันนะเจ้าคะซึ่งคิดว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทีเดียวที่อาจจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะมีความทุกข์กายทุกข์ใจ มีความโศกเศร้าเสียใจต่างๆนี้มารับฟังเดี๋ยนคิดว่าก็คงจะได้ให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ขอกราบน้อมสักการพระอาจารย์ภพยบุญภิปุโนได้เมตตาที่จะอาสาธยายหรือสักการะเกี่ยวกับเรื่องพระคาถาคลายทุกข์คลายโศกนี้เลยเจ้าค่ ะ, ะกราบนมักการเจ้าค่ะจริงๆแล้วในช่วงคำพรนศาานี้เราก็จะนํำคาถาคาถาวันนี้ที่จะนำมาให้ฟังก็เป็นคาถาคลายโศก คือ <Okay. S 2> เรื่องความโศกในชีวิตของมนุษย์มันมีร0 8 0 0 0พันอย่างคุณเตือนใจ <Okay. S 2> อธตมาในช่วงก่อนเข้าพรรษาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยหลายคนจะเป็นมะเร็งขั้น4ี่บ้างเียนะหรือว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันบ้างโรคอะไรที่มันรักษาไม่หายะ <Okay. S 2> นะโอ้ไม่ใช่คนป่วยโศกอย่างเดียวนะคุณเตินใจญาติคนป่วยก็โศก <Okay. S 2> หมอยังโศกเลย หมอนะ <Okay. S 1> พยาบาลก็ยังมึนไปด้วยนะเพราะบางทีมันถูกญาติญาติว่าสงสา ร, าา ร, สสารคนป่วยก็แล้วแต่ <Okay. S 1> ทีนี้นี่คือเรื่องการป่วยนะอย่างหนึ่งความทุกข์นี่มันเกิดได้ร้อย00อย่างอีกอย่างหนึ่งบางคนเงินหายเงินชั้นหามาด้วยความลำบากยากเข็นเหงืองงอง่อต่างน้ําอาบเหงื่อต่างน้ําทํามาอย่างสุจริตดันถูกโกงไป <Okay. S 1> เขาก็าจะมีความสุขนะใครเคยประสบเหตการอย่างนี้คงจะทราบดี หรืออีกอย่างหนึ่งคนที่เรารักตายะนะเข า, าเรียกลูกตายลูกจริงๆมันควรจะตายหลังพ่อแม่แต่มันดันมาตายก่อนเราก็โศกะนะหรือว่าสามีตายเมียตายคนที่เรารักตายมันมีความโศกมากะนะหรือว่ า, อ, าอย่างอื่นอย่างเช่นอะไรมีมีชื่อเสียงอยู่ดีดๆนะคนอื่นมาดา่านะคือมีความเสื่อมลาบ เสื่อมยศนะเรามีอํานาจวาสนาอยู่ดีวันสุดท้ายอย่างเงี้ยของกา ร, กรเกษียณอย่างเงี้ยคุณหมดอํานาจแล้วนะ บ, บางทีมันเศร้าอยู่ลึกๆนะคนอายุ60ที่ที่กเกษียณจากราชการเนี่ยเป็นอาิีเป็นดีเป็นประหลัดเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะพอถึงวันเนกษียณแล้วมันเศร้าลึกๆเหมือนกันนะมันเหมือนกับโดนขอโทษ<ป>นะเจ้าค่ะเอาวางลงเจ้า่ะเออบุคคลเหล่านี้เนี่ย คือความโศกเนี่ยเอายกตัวอย่างแค่สี่หอย่างความโศกมันมีหลายอย่างมากเอาแค่ไปเข้าห้องน้ําถ่ายทุกนี้ก็เศร้าเหมือนกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเราเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเนี่ยเราจะทํำยังไง <c oughs> เราจะแก้ไขยังไง <c oughs> คือต้องพระพุทธเจ้าก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อน <c oughs> ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่พ ร, ระเจ้าประสิทธิโกศลเองเหมือนกัน <c oughs> น ะ, ะระหว่างที่กําลังไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ก็มี ข้าราชการคนหนึ่งนําข่าวมาแจ้ให้ทราบมหาดเล็กนี่แหละนําข่าวมาแจ้ให้ทราบบอกว่าเนี่ยพระนางมาริการทวีเนี่ ย, ยที่บงกดแล้วคือตายแล้ว ค, คือเมียตัวเองตายว่างั้นเถิดนะด้วยความที่รักประยามากนะก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากเสียใจเนี่ยพอเสียใจแล้วพระเจ้าประเสริฐทีโกศลเป็นยังไงนะกินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นเลยนะการงานไม่ทํา นะบทเพยยียนชนะพระเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าแม้อาหารก็ไม่อยากรับประทานแม้ร่างกายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็ปึงหยุดชะงักพวกอัมมิตรก็ดีใจพวกมิตรก็เสียใจพวกที่ไม่ชอบเราเนี่ยจะยินดีดีแล้วตายซะได้ก็ดีว่าไงแต่พวกที่พวกที่ชอบเราพวกที่เป็นผู้เดียวของเราโทรไม่น่าเลยคนยังไม่ยไม่มากในลักษณะนี้นะมันก็จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นถามว่านี่คือประเภทที่หนึ่งนะหรือ ประเภทที่2อ อ, อีกประเภทหนึ่งพอโดนความทุกข์เหล่านี้เสียดแทงเข้าในจิตเนี่ยเขาจะกระฟักระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคกงความไม่พอใจให้ปรากฏหน้าเขียวคิ้วขมวดพูดไม่ฟังด่ากราด <Okay. S 1> พวกนี้มี <Okay. S 1> ใช่สองประเภทนี้คือคนที่ไม่ได้ฝึกจิตคือ <Okay. S> 1. ไม่คุณก็เศร้าร่ำให้คร่ำคุณทุบบกชกตัว ถึงความเป็นผู้งุนงงหลงไหลเข้าก็ไม่กินอาหารก็ไม่ทานนอนก็ไม่หลับทําอะไรก็ไม่ได้นั่งหันหน้าเข้ากําแพงอย่างเดียว <Okay. S 1> อะไรก็ไม่ทำนี่คือประเภทที่1ประเภทที่2คือเดือดเป็นไฟเหนือเดือดร้อนอด่ากราดพวกนี้ประเภทที่สองอสองประเภทนี้คือคนแสดงอาการเสียใจนะคือคนที่แสดงอาการว่าจิตของเราไม่มีกําลัง <Okay. S 1> สองประเภทแล้วทำยังไงพรนะพุทธเจ้าก็ เลยเตือนสติพระเจ้าประเสนิดิโกศนบอกว่ า, าประโยชน์พระพุทธเจ้าพูดเป็นลําดับอย่างนี้ก่อนนะพระุทธเจ้าลําลดับการเทศของพระุทธเจ้าเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันไม่ว่าตอนที่พระอานนท์ได้รับข่าวการปรินิพนธ์ของภาษาริบุตรก็ตามใช่ไหมหรือพระเจ้าประเสริโกสนได้รับข่าวการที่วงโค้ของนางมาริการทวีก็ตามนะหรือความสศกใดๆดเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกนี้ก่อนว่า ของการขอะนะที่ว่าสิ่งใดที่มีความแก่ของเราเป็นธรรมดาอยา well ่าแก่เนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งสิ่งใดที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราอย่าเจ็บไข้สิ่งใดที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าชิบหายไปนะพวกนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของที่มันจะต้องตายขอบอกโอ้ขออย่าตาย ของที่มันจะต้องหายบอกขอให้อย่าหายเป็นไปไม่ได <Okay. S 1> นะ้ร่างกายมันจะต้องป่วยบอกขอให้อย่าป่วยเป็นไปไม่ได้นะสิ่ง5้าอย่างนี้แม้ใครๆในโลกนะก็ไม่ได้จะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจจะได้บางคนเอามาเลยทูบเก้าดอกไปสารเจ้าบูชาขอใหอ้แม่หายป่วยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ เอาง่ายๆคนที่เราไปขอเขายัางไม่ได้เลยเทวดาที่เราไปขอใช่ไหมเขาก็จะต้องตายเขาจะต้องแก่เขาจะต้องเสื่อมสิ้นไปเขาต้องชิบหายเป็นธรรมดามันมาไม่ใช่ได้ง่ายๆด้วยการข อ, <Okay. S 1> อพระเชา้าเคยเตือนสติท่านพระอนุนอย่างนี้บอกว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่ทั้งที่เป็นคนผานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนนะล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะเปรียบเหมือน ภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบอยู่ล้วนจะมีการแตกทําลายเป็นที่สุดจันใดและชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าเช่นนั้นเหมือนกันแะถ้าใครเคยไปหมู่บ้านที่เขาปั้นหม้อกันจะเห็นว่าหม้อที่ทั้งที่เผาแล้วและยังไม่เผาเนี่ยที่ยังไม่เผามันก็จะดำๆหน่อยใช่ไหมที่เผาแล้วมันก็จะแดงๆหน่อยแตกตรงนั้นก็จะมีกองเศษหม้อที่แตกทั้งที่เผาทั้งที่ยังไม่เผามีหมด พระเจ้านี่ละเอียดมากในเรื่องอุปมาอุปไมยนะ <Okay. S 2> พอเราทราบว่าฐานะห้าประการนี้ไม่มีใครได้ในโลกพระองค์ไหนที่เราไปขอนะท่านก็ไม่ได้เหมือนกันตัวท่านยังรักษาไม่ได้เลย <Okay. S 2> จะต้องตายสักวันหนึ่งร่างกายพระเจ้าก็ไม่อยู่แล้วเป็นหลักฐานยืนยันนะเพราะนั้นพอเราระลึกได้อย่างนี้นะให้พิจารณาอย่างนี้บอกว่าประโยชน์ ประโยชน์แม้นเล็กน้อยในโลกนี้อันใดๆย่อมไม่ได้ประการเศร้าโศกประการครัมกรวญพวกอะมิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจคนที่ไม่ชอบเรานะเขาจะดีใจด้วยความทุกขของเราเป็นเหตุแต่ถ้าเธอเป็นบัณฑิตเนี่ยพิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหมดพวกอะมิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข คนที่ <naive. S 1> ไม่ชอบเราใช่ไหม <Okay. S 1> เขาเห็นเราว่าคุณเกิดสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วคุณยังสบายใจอยู่ได้เขาจะเป็นทุกข์ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรให้เขาเป็นทุกข์ไปนะ <laughs> เราเป็นบัณฑิตไม่เป็นไรทีนี้คถ า, าที่พระเจ้าสรุปตรงนี้นะบอกว่าถ้าพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใช้ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ นี่คืคาถาในวันนี้นะพึงทราบความต้องการอันเราหรือผู้อื่นไม่ได้ใช้ก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นความเศร้าโศกเนี่ยไม่มีประโยชน์นะคุณทําอะไรอยู่คุณก็ทำํำมันไปนะตั้งใจโดยเด็ดขาดนะแล้วให้มีสติคนที่ทำอย่างนี้ได้ต้องมีสติในการที่จะดึงตัวเองไม่ให้ไหลไปคุณเตือนใจ <Okay. S 2> อย่างบางที อ, อย่างอาตมาอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เมื่อพรรษาที่แล้วโยมแม่เสียนะ <Okay. S 2> เราก็รู้สึกเสียใจ <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> ว่าโอ้โหแม่บังเกิดเกล้าของเราได้เสียไปแล้ว <Okay. S 2> แลวเรามีความสะเทือนใจนะแต่เราไม่ได้ค ร, ร่ําครวญร่ําไห้ทุบอกชกตัวนะเราไม่ได้ก ร, กราฟัดกราฟีตกระด้างกระเดือบ <Okay. S 2> แต่เรายังมีสติสัมปชัญญะในการที่จะ เรายังมีสติสัมปชัญญะในการที่จะระลึกอยู่ได้ว่าเาเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําไป <Okay. S 2> ใช่ไหมความเศร้าโศกเสียใจเราก็ต้องอดทนเอาไวา้หรือว่าละมันทริงไปเหมือนอย่างเวลาภูเขาหินเงนี้ยคุณเตือนใจ <Okay. S 2> เ, เวลาลมเหนือใต้ออกตกพัดมามันไม่กระเทือนนะแต่ว่ามันเปียกไหมเปียกมันโดนลมไหมโดนแต่ไม่กระเทือน <Okay. S 2> นะเพราะนั้นจิตของเราเนี่ยเราไปรับรู้ความเศร้าโศกที่เกิดขึ้น การตัดสินใจในชีวิตที่เราได้ตัดสินใจผิดพลาดไปเงินที่หายไปคนอื่นที่ตายไปความเสื่อมที่เกิดขึ้นโดนไหมโดนแต่ไม่ต้องเสียใจ <Okay. S 1> นะอย่าร่าให้คร่าครวญอย่า ก, กระฟัดกระฟีกระด้างกระเรืองให้เป็นคนอดทนอดทนแล้วก็ให้เห็นสิ่งห้าอย่างนี้ว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นจะไปเศร้าโศกทไม <Okay. S 2> นะควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่แค่นี้เองนะพอเราตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่ชีวิตเราก็จะดำเนินไปได้นะไม่มีร่างกายที่สู้ผอมเศร้าหมองนะการงานไม่หยุดชะ ง, งักนะพวกอามิตรก็ไม่ต้องมา ด, ดีใจหรอกพวกมิรก็ไม่ต้องเสียใจก็ได้อย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> ก็ให้ทำงานที่เราได้ทาอยู่เป็นปัจจุบันไป เ, เราจะสบายใจคนรอบข้างก็จะสบายใจ เพราะฉะนั้นมีอะไรมากระทบกระตทือนเราตุ้มเกิดขึ้นเนี่ยเช่นคนด่า เ, าเงินหายฟ้าร้องรถถูกชนอะไรต่างๆนานานะ <Okay. S 1> ให้ท่องไว้เลยนะความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใช้เราไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่คนที่ไม่มีรถนะคุณเตือนใจ <Okay. S 1> ไม่มีทางที่รถเขาจะชนได้เพราะเขาไม่มีรถแต่เมื่อไหร่ที่เรามีรถนะ สักมันมันจะต้องถูกชนพอถูกชนแล้วก็จะต้องเจ็บใจแน่นอนมันโดนแน่นอนแล้วก็ื่อนเราเตรียมใจไว้ก่อนเลยเวลาถูกชนแล้วบอกนึกไว้แล้วเชียวอย่างนี้นะแลไม่ต้องเครียดอะไรให้ตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดว่าแับนี้เราทําอะไรอยู่เราจะสบายใจได้มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์อย่างคนป่วยที่อาตมาเคยไปยิ้มเยี่ยมมาเขาก็พอไปพอไปเยี่ยมคนป่วยเขาก็จะ คนป่วยส่วนใหญ่หรือญาติคนป่วยก็จะถามว่าท่านอาจารย์เราจะสวดบทไหนดีคาถาไหนดีถึงจะหายจากโรคได้อย่างเงี้ย<ช>นะาจารย์ผมไม่รู้จะตอบเขายัางไงเหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้อย่างเรื่องความป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บความเสือเ่อมอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะให้ทําความเพียรไปก่อนนะคือเราเตรียมตัวไว้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วเมื่อไหร่นะ นะเป็นอนาคตภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดแล้วนะเรามีการเตรียมตัวดีนะเราจะเป็นผู้ที่ยังมีจิตอยู่ผาสุกได้ <Okay. S 1> สมมติเงินหายโอยเราเตรียมใจไว้แล้วว่าเงินจะต้องหายเอาเงินหายจริงๆเราก็ไม่ทุกข์แล้วกันอย่างน้อยยังทุกขกายอาจจะอดบ้างกินบ้างแต่ใจเราก็ไม่ทุกข์ให้เตรียมการไว้ก่อนพระเจ้าเคยเตือนพระไว้หลายกรณีอย่างเช่นข้าวข้าปลาอาหารหายากอย่างนี้ อย่างทุกวันนี้ยังไม่ได้ว่าข้าวปลาอาหารหายากนะแค่มันแพงเฉยๆแต่ในอย่างสมัย ส, ยสงครามอย่างเงี้ยสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาหารหาก็ไม่มีตอนที่คุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้ในนั่นคือเรียกว่ า, าทุพพิทุพิภพทุพิภพจริงๆใช่ไหมข้าวยากหมากแพงจริงๆซึ่งพอถึงเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าก็เตือนเวลาว่าให้รีบทำความเพียนะเวลานั้นจะมาถ้ามาแล้วนะเธออย่าเดือดร้อนนะให้เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ เราควรจะได้ททำความเพียรมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกในลักษณะที่ว่าเมื่อภัยเหล่านั้นมาถึงเราแล้วนะเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกอยู่ได้เช่นยาตายเงินหายป่วยเป็นโรคพวกนี้นะเพราะนั้นพอเราไปเยี่ยมเนี่ยคนป่วยเนี่ยเราก็จะให้กำลังใจในลักษณะที่ว่าให้มีสติรักษาจิตร่างกายหมอเขาดูแลนะพยาบาลดูแลนะแต่จิตหมอเขาดูแลให้เราไม่ได้ <Okay. S 2> เขาไม่สามารถเอาเครื่องมือมาเปิดแล้วก็จับจิตให้มันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเครื่องมือชนิดนั้น <Okay. S 2> นะมีดผ่าตัดก็ผ่าได้แค่หัวใจนะแต่ไปเข้าไปถึงจิตเราไม่ได้เพราะนั้นจิตเราเราต้องจัดการเองรักษาเองเพราะฉะนี่ก็เหมือนกันเวลามีความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยแม่ต่อจะให้คนมาปลอบคนมาคุยคนให้ฟังจิตคุณก็ต้องทําเองถ้าคุณไม่ทําเองคุณนั่นแหละถูกจิตหลอก จิตเนี่ยจะมาบังคับให้เราอยู่ในอำนาจของมันเดี๋ยวไปซ้ายไปขวาไปตามคนนั้นว่าอย่างนี้เราก็ไปตามคนนี้พูดอย่างนี้เราก็ไปตามเอาอัานั้นมาต้มสิดีอ่ะดีก็ทําเอาท่านทำอย่างนี้สิจะหาเงินได้ก็ไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะไหลไปตามภาษาแต่แล้วมีความเสี่ยงมากในขณะที่ถ้าเราใช้ธรรมะในการรักษารักษาจิตธรรมะรักษาจิตธรรมะรักษาร่างกายเนี่ยอย่างน้อยเราสบายใจและพอเราสบายใจแล้วเนี่ย ระบบกระบวนการการทํางานต่างๆอะไรมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาตามลำดับของมันนะนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็จึงต้องให้ทราบว่าความต้องการห้าอย่างเนี่ยคือสิ่งที่มีความแกรรม่แก เ, เ, เป็นธรรมดาว่าอย่างแก่เลยความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความเสื่อมไปเป็นธรรมดาความชิบหายไปเป็นธรรมดาแล้วความเศร้าหมองไปเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ <Okay. S 1> นะตอให้ใครมีอํานาจมากมายขนาดไหนเนี่ย <Okay. S 1> ก็ยังต้องเจอสิ่งห้าอย่างนี้ แ้วพอเรารู้อย่างนี้คุณอื่นไม่ได้ฉันก็ไม่ได้เหมือนกันฉันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะสบายใจเล ย, ยเราจะสบายใจขึ้นมาสบายใจเสร็จแล้วเราทำไงเราก็ให้มีความตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดเด็ดขาดเลยน ะ, ย ะ, ะต้องเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราจะไปได้สถนานีก็คือว่าเราทำอะไรอยู่หรือว่ามีหน้าที่อะไรที่จะทำในปัจจุบนัน ก็เดินหน้าต่อไปนะเจ้าค่ะไม่ต้องไปเศร้าโศกหรือว่ามีนิวรในสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะเจ้าค่ะท้อแท้ท้อถอยอย่าให้มีเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูรณ์เจ้าค่ะว่าผู้อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสัรชามาเกี่ยวกับเรื่องของการทําจิตนะเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีเรียกว่าจิตมีกําลังอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็อาจจะทําจิตได้ง่ายหรือว่าอาจจะสามารถระงับความ ทุกโศกหรือว่าความเศร้าหมองได้ได้ง่ายนะเจ้าคะแต่ตอนี้ในกรณีสําหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในเช้าวันนี้แล้วมีความรู้สึกเห็นคล้อยตามพระอาจารย์ทุกอย่างเลยเจ้าคะอยากจะฝึกจิตว่าทํำยังไงให้จิตของเรามีพลังนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะสักนิดหนึ่งเจ้าคะในช่วงเวลาอีกประมาณสักเนาทีที่เราเหลืออยู่ในรายการเจ้าคะ จริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่เราได้พูดถึงเรื่องสมาธิไปนั้นยังพูดไม่จบขายไปอีกนิดนึงก็ <Okay. S 2> จะมาเติมตรงประเด็นที่คุณเตือนใจถามพอดีเลยว่าอย่างในการฝึกจิตอย่างเงี้ยฝึกจิตเนี่ยจิตเราจะต้องได้รับการฝึกแต่ถ้าจิตไหนที่ไม่มีกําลังเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยเวลาเจอปัญหาเวลาเจออยู่ในสถ า, านการณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยจะเกิดอาการ2 อ, อย่าง <Okay. S 2> คือไม่ร้องไห้ร่ําไห้ใช่ไหมอย่างที่ <Okay. S 2> ว่าหรือไม่ก็กาแฟกราเฟียกระด้างกระเดิ่งขึ้นมาแสดงว่าจิตนั้นไม่มีกาํกาลัง จิตไม่มีกําลังก็ทําอะไรยากดัง <Okay. S 1> นั้นจะฝึกจิตทํำยังไงบางคนบอกว่าต้องไปวัดนั่งหลับตาดูหนังตาบางคนมีฝรั่งคนหนึ่งเคยถามวัดมาบอกเอ๊ะคุณมานั่งทําอะไรกันดับหลับตาดูหนังตาไปดูหนังไม่ดีกว่าหรอดูหนัง <c oughs> แบบภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะ <c oughs> เออมันเราไม่ได้ใช้ตาดูใช่ไหมเราใช้จิตดู <c oughs> ซึ่งการมาทําสมาธิเนี่ย ต้อทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าคุณจะฝึกจิตคุณต้องสมาธิทําสมาธิไม่ใช่ว่าต้องนั่งต้องหลับตาต้องอยู่ในห้องแพทไม่จําเป็นถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าทําจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นหนึ่ ง, นนงอยู่ในอริยบทไหนก็ได้คราวแรกคราวนั้นที่เราได้พูดกันไปคือเรื่องของการใช้อานาปานาสติใช่ไหมเอา้าถ้าอนาปานาสติแล้วจิตคุณจะนิ่งจิตคุณจะอยู่ได้เราจะจับจิตให้ฝึกมันได้ อ, อย่างม้าป่าหรือสัตว์ป่าเนี่ยถ้าเราจับมันไม่ได้ฝึกมันไม่ได้นะ เราต้องจับมันให้ได้ก่อนเหมือนจิต an, เหมือนกันเราต้องจับจิตของเราให้ได้ก่อนจับจิตทํายังไงคุณใช้ลมหายใจก็ได้คุณจะจับจิตยังไงได้อีกใช้พุทโธก็ได้ใช้ยุบหนอป้องหนอก็ได้รูปนามก็ได้สัมมาอารังก็ได้อะไรจับได้เอาอันนั้นเวลาจะไปตกปลาคุณเตือนใจเบ็ดอันไหนใจะล่อปลาได้เอาอันนั้นปลาน้ําลึกใช้เบ็ด อ, อีแบบหนึ่งปลาน้ําตื้นใช้เบ็ดแบบหนึ่งปลาทะเลใช้เบ็ดแบบหนึ่งปลาน้ําจืดใช้เบ็ดแบบหนึ่งจระเข้ก็ใช้เบ็ดอีกแบบหนึ่ง ใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตคุณเป็นแบบไหนเอาแบบไหนได้เอาอันนั้นให้จิตมันเป็นหนึ่งจับได้เอาแล้วบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วไปที่ไหนอะที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่ไหนได้เอาที่นั่น ใ, ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นศรัทธาที่ไหนไปที่นั่น